การฟังธรรมะเฉพาะคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักการฟังที่จะเกิดความสงบเกิดอันนี้สงจากการสดับรับฟังนั้น <c oughs> เราไม่เคยฟังเคยมีใครบอกสอนตักเตือน <c oughs> เราก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดผลเกิดประโยชน์ได้อย่างไร และการฟังนั้นจะฟังแบบไหนจึ่งจะเกิอดอันนี้สงให้ทางศาสนาทางธรรมป่าทางกรรมฐานท่านเทศท่านสอนแนะกันในการฟังคือการนั่งภาวนาไปในตัวกำหนดจิตให้อยู่เฉพาะหน้า ในส่งไปในอดีตอนาคตที่เคยผ่านมาการงานอะไรที่เราเคยทำข้างไว้ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปเจียวยุ่งเพราะระยะเรานั่งฟังทำนั้นไม่มีธุระหน้าที่กายก็ไม่ได้ไปทำงานวายจ้าก็ไม่ได้พูดจิตก็ห้ามไม่คิดไปในอดีตอนาคต จะกำหนดพุทโธพุทโธอยู่ภายในทำให้จิตให้ใจสัมผัสกับบทบริกรรมของตนก่ได้จะกาหนดลมหายใจเข้าออกของตัวกว็ถูกแล้วแต่อัธยาศัยของใครชอบอะไรเราจะทําทใจของตัวจี่คิดตึงนั้นถอยกลับขึ้นมาหาจิตตึงจิดแต่งของมันคือถอยเข้ามาภายใน ต่อามาให้ดวงใจของตัวเมื่อท่านแสดงธรรมะอะไรเมื่อเราตั้งใจไว่อย่างนั้นธรรมะที่ท่านแสดงออกไปนั้นก็จะไปสัมผัสกับจิตของเราทีตตั้งเอาไว้โดยไม่ต้องส่งใจไปคิดว่าท่านจะเทศอะไรจะสอนอะไรนั่นเป็นหน้าฉี่ของท่านหน้าฉี่ของเราให้ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้า เดี๋ยเหมือนธรรมะไปสัมผัสก็เหมือนกันกับเด็กที่ถูกที่เลี้ยงหรือแม่กล่อมผลที่สุดก็หลับได้มีจิตที่เคยสายแสไปตามกายแสอารมณ์สัญญาต่างๆเมื่อเราตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าธรรมะที่สั่นแสดงไปนั้นก็จะไปสัมผัสสัมผัสเข้าสัมผัเสผเข่าใจของเราก็คอย ของสายใจของเราก็ค่อยสงบค่อยเย็นลงไปนี่คือเห็นอันนี้สงจากการทำของตนมาอย่างนั้นเพอท่านเทศออกไปเราก็มีความคิดความนึกอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงไปคิดไปตำหนิท่านว่าเทศไม่ถูกจริตนิสัยตำหนิ อย่างนั้นถ้ามีอย่างนี้เรื่อยไปใจแบบนั้นไม่มีวันสงบระงับเราจึงรักษาให้ถือว่าเป็นการภาวนาในตัวการอบรมธรรมะการแนะนำธรรมะคือการฝึกอบรมจิตใจทีุ่่งปรุงออกไปให้สงบระงับด้วยการระวังรักษาตังวรจิตของตัวตาจะไม่ได้เห็น รูปที่ห ย, ย่วยวนจิตใจหูกลัว น, นีฟังเสียงที่ห ย, ย่วยวนกิเลสมีกตจิตมันจะคิดจะปูงไปเรื่องข้างนอกเราจึงลกวางรักษาเอาไว้ในขณะที่เราฟังทมนั้นมันมีอยู่ทุกท่านทุกคนไปแต่คนที่ไม่รู้ทมไม่เห็นทมก็เพราะเหตุว่าคนนั้นไม่สนใจ หรือไม่ฉลาดนำธรรมะมาตรับปรุงกายใจของตัวกายใจจึงชั่วกายใจจึงเสียตัวเองก็เกิดทุกข์เกิดโทษคนอื mama, ่นเย็นเขาก็เหม็นก็เบื่อนี่คือคนที่ไห่ต้องวระวังกายวาจาจใจคลองตัวไม่มีธรรมะเขาช่วยเหลือไม่มีธรรมะรักษากายใจจึงเป็นบ้าเป็นบอไปอย่างนั้นถ้าหาก เรานำธรรมะมาที่นี่ิีจรณนามารักษาสิ่งใดสี่่วดสี่เสียที่เดือดร้อนวุ่นวายตนเองก็ทราบว่าจิตคิดไปแบบนี้เป็นจิตที่ไม่มีความสุขความสบายเป็นจิตอิจฉาเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นเป็นจิตทิ่เพิดเพลินไปในกามอารมณ์ไปทางโลก ไม่ใช่คิดคิดคิดเพื่อจะแก้ไขที่เหลือปัญหาของใจคิดไปเท่าไรก็ยิ่งเดือดร้อนคิดไปเท่าไรก็ยิ่งยุ่นวายให้เราทราบอารมณ์ของใจของตัวทาไม่ทราบเรื่องอารมณ์ของใจปล่อยให้มันคิดเรื่อยไปมันก็ทําความเดือดร้อนวุ่นวายก่อกวนตัวเองเรือ่อยๆไปเพราะส่วนใหญ่ ไฟมันเกิดขึ้นจากการไม่จีดการเดียวเท่านั้นแต่เราไม่รีบระงับดับเอาไว้มันก็ไหมก็เผาจิงจีงนีคุณค่าของเราเสียหายผลเสียวรจีเ่เต็หมดเช่นไม่บ้านในจ่องต่างๆนี่คือเจ้าของประมาทไม่ดูไม่รักษามันจึงไหมจึงเผา บ้านช่องข่าค้องเสียหายไปได้มีกิเลสปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจก็ทํานองเดียวกันเราประมาทไม่ระวังรักษาเขียนว่านิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรความจริงของนิดหน่อยเป็นคล้องใหญ่ไม่ใช่ของมันใหญ่มาแต่เดมิมมันนิดหน่อยเชื่อก่อนเป็นคนก็เป็นเด็กมาเชื่อก่อนจึงเป็นผู้ใหญ่ ใหญ่ให่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะกลายไปเป็นเด็กมันเป็นเด็กมาก่อนของน้อยเมื่อเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆบวมลุงอยู่เรื่อยๆมันก็มากขึ้นมีเรื่องความชั่วความเสียที่เราทุกคนได้รับทุกโทษมันก็เหมือนกันเกิดขึ้นจากสิ่งนิดหน่อยเชื่ก่อนเห็นฝุ่นละอองที่ก่อตาของเรามันก็นิดๆหน่อยๆจะทําให้ตาเสีย ตาบอดตามัวไปได้ขอนไม้ตอไม้ไม่ซึ่มทั้งถอนไม่เคยเขาตาสองคนจริงๆโดนให้เราเท้าแตกหัวหม่จีนแตกก็สะดุดเล็กน้อยต้นไม้ใหญ่ยยๆโตๆเราไม่โดนเพราะเราเห็นแตนั้นทันจึงไม่เห็นประมาทเรื่องความ ช่วความเสียนิดหน่อยไจ้จะไม่ให้โทษให้ทุกข์แก่ตัวรีบระงับดับเอาไว้เมื่อทราบในวาระจิตจิตจิตตึงไปในทางชั่วทางเสียคือการระวังรักษาจิตของตัวระวังอยู่ทุกระยะทุกเวลาสิ่งใดที่มันจะนำมาถึงความเดือดร้อนวุ่นวายแผดเผาตัวของตัวให้ละในสิ่งนั้นอย่าไปคิด ทำจากพูดการรักษาใจรักษายากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกพอใจเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดแต่เมื่อรักษาได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเสดที่เศษเท่ากับเรื่องของใจไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสูงเหมือนการรักษาใจ ให้ปอดภัยไปจากกิเลสปัญหาแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่ตั้งใจต่อพิสติปฏิบัติจะ ต, ต้องเห็นต้องเช้นต้องรู้เพราะเราเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจริงจังทางธรรมะหลักของธรรมะที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นการให้ศึกษาท่านววาอิทิบาท คือสิ่งที่จะทำบุคคลนั้นนั้นให้สำเร็จผลตามที่ตตนปรารถนาอิทธิบาทก็อยู่ในองค์ององของโคทรงองค์ของโพี่ปถิยธรรมคือธรรมที่จะออกจากโลกคนใดที่จเจริญอิทธิบาท สิ่งที่ตัวไฟสันนั้นจะได้ตามปรารถนาอิทธิบาทนั้นท่านพู ด, ดยะย่อเป็นสับบาลีไว้ว่าฉันะทะคือให้พอใจรักใครในสิ่งนั้นเชาโลกถ้าเขาพอใจรักใครในสิ่งใดเขาก็ไฟสันไม่เบื่อหน่ายยินดีที่จะทำ ที่จะพูดที่จะคิดสิ่งนั้นเพราะความพอใจความพอใจจริงเ็แรงสำคัญเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นในจิตในใจเพราะเราพอใจเรายอมทําได้ในเบื่อหน่ายเรียกว่าฉันทะคือความพอใจรักใครเป็นพอใจรักใครในการกำหนดลมหายใจ ไม่เดือนนายในการกำหนดอารมณ์สัญญาอะไรเกิดขึ้นผ่านมาก็ไม่เกี่ยวข้องหรือพอใจรักใคร่ในการบริกรรมพุทโทพุทโธอารมณ์อื่นเหมือนแสนเกิดขึ้นก็ไม่จิตตามเกี่ยวข้องคนเช่นนั้นย่อมมีจิตสงบละงับได้เพราะพอใจในกรรมฐานของตัวพอใจในคาบริกรรมของตัว คาหาไงพอใจทําอะไรก็ไงพอใจขิงขวางเรอยไปคนนั้นทําอะไรก็ไงสําเร็จใชาดังนั้นฉันทะความพอใจรักใคร่จึงเป็นตัวจักใหญ่สําคัญตัวเบื้องตนเมื่อมีสันทะความรักใคร่วิริยะความผากเพียรมันก็เกิดขึ้นทําอย่างไรเราถึงจะได้ทําอย่างไรเราจึงจะสําเร็จทําอย่างไร ถึงจะเห็นจะเต็มจะรู trenches, ้มันจะต้องมีความพยายามถึงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิลํำบากอยากเย็นก็พยายามไม่ทอดทิ้งเอาใจใส่ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติในเรื่ของวิริยะเหมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่ จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้ลำบากจากเย็นขนาดไหนก็ไม่ทอดถอยตั้งหน้าจะทำเอาชีวิตเป็นเดนมีเพื่อนมีวิริออยะแรงตาเป็นอย่างนั้นจิตตะเอาใจฟักใฝ่ไม่ทอดทุละไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ตัวทำตัว บ, บริกรรม าทางโลกก็เป็นเรื่องธรรมทางโลกถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็เป็นเรื่องการดูรักษาจิตใจของตัวมัน ở, เถอะเือหรือมันติดตามอารมณ์อะไรหรือมันยังคงเส้นคงวาอยู่กับคำบริกรรมหรือการกำหนดของตัวตรวจตาที่เจรณนาอยู่เรื่อยๆเอาใจพักไฝ่ดูแลรักษา ไม่วางธุระไม่ถอดทิ้งเรียกว่าจิตตะดีมังสาตรวจตาที่นี้พิจอะรนาในสิ่งจิ่ตัวจะ่ทำอยู่นั้นว่ามันผิดถูกชั่วดีอย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องให้มันดีงามควรที่มีอิทธิบาททั้งสี่ไว้จำอยู่ในจิตไม่ว่าจะทำการงานชนิดใด ยาบละเอียดยากง่ายขนาดไหนคนนั้นจะทำสำเร็จไปได้จริงว่าอิทธิบาทคือมีอิทธิลิธสามารถที่จะทำสิ่งที่ตนปรารถนาให้สำเร็จไปได้ตามความส่องการคนที่ปฏิบัติไม่เห็นไม่เป็นทำอะไร ใม่สำเร็จร่วงลงไปก็เพราะใจขาดอิทธิบาท้ามีอิทธิบาททั้งสี่อยู่ในจิตในใจคนใดแล้วไม่ว่าฝ่ายโลกไม่ว่าฝ่ายธรรมเขาคนนั้นทาอะไรจะต้องสำเร็จตามความประสงค์ของเขานี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพวกนักปฏิบตัติให้ทาจริง ในสิ่งที่ตัวอยากเห็นอยากรู้ถ้าไม่ทำจริงผลทิ่เป็นจริงก็ไม่เกิดขึ้นแต่นั้นการทำจริงจริงเป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องอาศัยบทธรรมของพระพุทธเจ้าเขา้ากำกับเป็นเส้นทางเดินเป็นเส็นคิดนำจิตนำใจให้ไปสู่ทิศสู่ทางสิ่ต้นมุ่งหวังด้ จิตนี้ถ้าหากจะพูดถึงความเดือดร้อนวุ่นวายสูดถึงความสบายสงบมันก็ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องของจิตจิตเป็นตัวการสําคัญถ้าจิตชั่วจิตเสียจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตเกิดราคะตัณหาคือจิตเดินไปในทางชั่วทางเสียทางต่ํำ จยุแบบนั้นถึงร่างกายของเราจะอยู่สบายจะจิตก็วุ่นวายเดือดร้อนเพราะริงเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสนี้ผู้ที่นี้จะติปัญญาผู้ที่นี้ธรรมะท่านขยะกขยแยงท่านตัวมากเกลอยิ่งกว่าสิ่งทั่วไป โรคอื่นที่เป็นโรคของตายนั้นเรารักษาไม่หายตายมันก็หมดไปไม่เป็นพิษเป็นภัยรักษาไม่หายมันก็ไปแฉะทิ้งตายเท่านั้นไม่เลยนั่นไปแกเรื่องยิย่นเลื่องปัญหาส่งสิงซ้อนอยู่ในจิตในใจถ้าเราไม่ละไม่แก้ไขไม่บำเพ็ญให้เห็นให้รู้ให้หลุดให้พ้นไปแล้ว เราตายไป ก, กว่าสัตว์แต่ว่ากายตายไปจิตใจถือยังมีจิเลตตัญหานั้นจะก่อภพก่อชาติใหม่เราจะยุ่งเยิงวุ่นวายรบกวนตัวเองอยู่เรื่อยไปท่านจึงกลัวมากกว่าเรื่องโรคของกายผู้ที่เห็นจิเลตตัญหาเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเบื่อหน่ายท่านจึงตั้งหน้าตั้งตาภาวนาหาทางที่จะแก้ไข ใจสี่ชั่วสี่เสียนย่านั้นให้ลุกให้ตกออกไปด้วยอุบายทิธีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าหากไมนมีอุบายปัญญารักษาใจของตัวแล้วคนนั้นถึงจะอยู่เป็นพระเป็นเนรจะบวชมาหลายพรรษา ก่าหาสาระทางจิตทางใจไห่ได้มีจิตใจวุ่นวายเดือดร้อนแปรส่ายปัดแต่งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหาทางสงบเย็นในจิตในใจไห่มีตัวของตัวก่วอตำานิทำไมจิตจึงเป็นอย่างนี้ซึงเราไม่ชอบไม่ปรารถนาแต่มันก็เกิดก็เป็ น, นกึิ่นในจิตในใจของเราเพอเราไม่รักษา เราหม่ํำระมันถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาํำระรักษาจริงจังแล้วจิตนี้ทุกคนไปก็จะมีความสงบความเยือกเย็นความผ่องใสการรักษาจิตการที่เกรณาธรรมะเพื่อํำระจิตขอธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรับรอง ว่าทุกคนเมื่อตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาตามธรรมะที่สอนไว้คนนั้นนั้นจะเป็นคนดบคนดีมีคติเป็นสองคือเป็นอาณาคามีบุคคลคนไจจากกามราชาปฏิฆะคือความใค่คจิตติดข้องกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้าม จะไม่มีในวาราจิตของท่านความหงุดหงิดในจิตในใจเป็นไปเถอความโกรธก็จะไม่เกิดไม่มีขึ้นถ้าหากตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติรักษาจริงจังทุกคนไปท่านรับรองว่าไม่เกินเจ็ดปีอย่างช้าจากนั้นก็ไม่เกินเจ็ดเดือนหรือเจ็ดวัน มันจะเป็นขึ้นเห็นขึ้นนี่คือในโอวาทที่สันน่สอนเอาไว้ผู้ที่พิพจารณามีสติกำหนดรักษาจิตใจให้อยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่หมายถึงกายานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายของเราท่านโดยส่วนใหญ่ก็พิจารณากายของตัวเองเพื่อแก้ไขใจ ที่ยึดถือที่จิตข้องที่โ ล, ล้งไหลใฝ่ฝันอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความยินดีเกิดความมัวเมาในเรื่องของกายสันเฮติเจน า, า ก, กายถักแต้วากายไม่ใส่หญิงไม่ใส่ชายไม่ใส่สัตว์บุคคลพิเจนาอย่างไรใจจรจะเห็นเป็นจริงอย่างนั้นก่อพิเจนา ตามดูทุกสิ่งทุกส่วนเป็นผมก็ดีขนก็ดีเล็บฟันก็ดีสิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยรับรองเขาไม่เคยบอกกล่าวว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาของเหล่านี้มันมีมาตามหน้าที่ของมันและจะแปลป่วนไปตามหน้าที่ของมันจะแจกสลายไปตามหน้าที่ของมันไม่ ใ่ญ่ยิ่เชื่อฟังบุคคลใดถึงจะมีอำนาจราชตักใหญ่ขนาดไหนก็จะเป็นไปอย่างนั้นใ่มีตัวอำนาจราชนะอิทธิพลของใครความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะพิ่จนาให้รู้ให้เห็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้น ให้ที่ย า, ายนาการให้ทั่ว ถ, ถึงในเรื่องของกายหนังมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นหนังแต่ความสมมุติของเราว่าหนังเดี๋ยวเราก็ไปยึดสมมุตินั้นว่าเป็นเราเป็นของของเราไปเสียแต่มันไม่ได้เคยพูดกับเราอ่ะฉันเป็นหนังฉันเป็นของคุณนะคุณต้องรักษาดูแลฉันให้ดีนะมันไม่เคยพูดเคยว่าเรื่องของหนัง เมื่อเอ็นจระดูกก่อทำนองเดียวกันนี่ที่จะได้นาะเสือความถอนจิตใจผิดยึดมั่นว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะเชียงเหล่านี้มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขามันเป็นหน้าที่ของมันต่างหากถ้าหากเป็นตัวของเราจริงจังเราจะต้องบอกได้สอนได้ไม่เห็นมันแช่มันเก็บมันตาย มันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราสอนมันได้มันเป็นของของเราเราหักห้ามมันได้นี่มันไม่เป็นเช่นนั้นหักห้ามมันไม่ได้ใครรู้เรื่องของมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นใครไม่รู้เรื่องของมันก็มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นผู้รู้ถึงฐานของมันจริงจังไม่ได้ไปยึดไม่ได้ไปถือเพราะทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ มันเกิดขึ้นมันแปรปวนมันแตกสลายไปเมื่อถึงการถึงสมัยแทนที่จเจี๊ยบอกเสียใจเพราะเรื่องกายมันแตกมันทําลายไปมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เจี๊ยบอกเจียบใจอะไรพอทราบแล้วเข้าใจแล้วความจริงมันเป็นอย่างไรเราพอใจชัดเจนนี่เป็นเรื่องการพิจารณากายเพื่อถอดถอนความยึดมั่นสําคัญหมายว่าเราว่าเขา ว่าสัตว์ว่า บ, บุคคลถ้าที่เจ้านายเห็นการเป็นจริงชัดเจนแล้วความไปกำหนัดยินดีกับเหตุตรงกันข้ามมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะกายนี้เป็นก้อนของโรคโรคไขยไข้เจ็บต่างๆนาน า, นานมาเกาะมาอาศัยมีตาก็มีโรคตามีหูก็มีโรคหูมีจมูกก็มีโรคในจมูกมี อะไรมรีแต่โรคแตบภั้เบียดเบียนทั่วไปไม่มีสถานที่ใดที่จะไม่เกิดโลกมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษเพราะเรื่องของกายอันนี้ถ้าหากไม่มีกายโรคมันก็ไม่มีที่พักที่อาศัยเหมือนกันกับมีมีแผ่นดินสัตว์ทั่วไปมันก็ไม่มีที่อาศัยแผ่นดินเป็นที่อาศัยของสัตว์โรคก็เป็นที่อาศัย กายก็เป็นที่อาศัยของโลกทำ น, นองเดียวกันการเกิดขันจึงเบื่อจึงหน่ายเพราะเกิดมาแล้วมันเลยรับทุกข์รับโทษหรือความเจ็บป่วยหรือความแก่ความตายต่างๆนอกจากนั้นพิจารณาเคยแก้ไขใจของตัวที่ไปยึดถือว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้ เมื่อเราแยกแยะออกไปตามหน้าที่ของมันผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ถ้าหาเป็นของคนแล้วไม่มีใครต่าถนาไม่มีใครชอบใจไม่มีใครยินดีแต่มันเป็นก้อนรวมกันอยู่แล้วเอาหนังหุ่มหัวเอาไว้ ขัดถูประดับประดาด้วยิ่งต่างๆนานาหลอกตาของคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่ทราบว่าหนังมันหอ่อหุ้มของโปกกะปกโสมมอมอยากไรเพราะไม่ได้พิจารณาเลยเข้าไปจากหนังมันจึงเกิดความชอบพอยินดีในรูปนั้นนั้น ว่ามันสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตัวตาทีเ่เจนาเรื่องของกายตามเป็นจริงกายนี้ถึงเราจะไม่สมมติไม่แหนร้ายเขาว่าเขาตกกระปกแต่ความจริงก็ก่อนของตกกระปกจริงๆริงแจ้งแเช่นเรานั่งก็ดีนอนก็ดีนุ่งห่มอะไรก็ดีหรือเอาอะไรมาเกี่ยวข้องก็ดีกายนี้ จะทําความสกกระปกให้แจ้าสิ่งเหล่า น, นั้นเพราะก้อนข้องกายนี้เป็นของโสกกระปกรั่วไหลออกมาจากกายนี้เลอดขี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดิีของดีจึงไปติดเตือนที่นั่งที่นอนผ้าหนุ่งผ้าหม่มได้ซักในฝอกกันอยู่เรื่อยๆเพราะมันเน่ามันเหม็นมันปฏิกูลนี่คือการที่เจริญนาเพื่อละความกําหนัดยินดี ถอดถอนความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีนั้นมันไม่อยู่ในกายกายนี้ไม่ทราบแต่ใจมันบ้ามันบอมันถือว่าตัวคองมันเหมือนกันกับโจรมีอาวุธมันก็กล้าที่จะไปป้นไปขี้สู้รบขบกัดกับคนอื่นได้กายมันมีกำลังให้มันพักผ่อนหลับนอนให้มันขบมันฉันจริงที่ มีสาระแก่มันมันอิมน่มหนำํารานมันมีกำลังแล้วมันเลยคิดไปปรุงไปเป็นเรื่องของใจมันคิดมันปรุงไปเราจะพิสูจน์ได้ไปจากในใจก็คือคนตายนั้นไม่ว่าหญิงวะชายไม่ว่าหนุ่มว่าสาวจะเป็นคนที่บ้ากา ม, มาขนาดไหนกอตามถ้าหาก มันตายแล้วเอาไปถิ้งเทินกันไว้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่มันบ้าเรื่องของกามนั้นมันจะม่มีทำอะไรกันในเรื่องของกายจริงจังมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธาตุแล้วก็จะแปรปวนแตกสลายลงไปสู่ถาดเดิมของมันถาดดินก็จะไปสู่ถาดดินถาดน้ำก็จะซีมสาบลงไปหรืเป็นไอขึ้นตามอากาศถาดไฟมันก็ ไปตามเหลืองของมันลมปกไปตามเหลืองของมันหนีเหนือนเราแยกแยะทีนี้พี่เจ้าาดูให้ถั่วถึงทีทวนอย่างนั้นใหายใจมันเห็นไปจากชัดเจนมันจะยอมจำนอนว่าอันนี้ไม่ใส่ตนไม่ใส่ตัวไม่ใส่สัตว์ไม่ใส่บุคคลจริงจังแต่จิตมันลุ่มมันหลงมันยึดมันถือตั้งหามันจึงเกิดราคาตันหา คือมันไม่ทราบตามจริงในสิ่งหนั้นนั้นตามเป็นจริงของมันถ้ามันทราบตามเป็นจริงของมันแล้วจิตจะไม่หลงจิตจะสงบจิตจะเบื่อหนายในเรื่องของกายจนบางผ่านบางคนตามตำหลับตำลาที่เจนากายเห็นเป็นอรสุภาอสุพังเป็นก้อนหมูดก้อนขูดหรือเป็นก้อนโรกก้อนไท ใจมันเห็นประจักษ์ชัดเจนจริงจังอย่างนั้นเลยเบื่อหนา่ายฆ่าตัวตายผมมีทางศาสนาท่านจึงห้ามการทำอัตถ่าคือฆ่าตัวเองมันเบื่อหน่ายจนยอมฆ่าตัวตายเบื่อหน่ายแบบนั้นเบื่อหน่ายผิดทางพระธรรมวินยัยให้ทราบตามเป็นจริงของมันว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่ฆ่า มันมันกว่จะทายอยู่แล้วไม่ถึงพันปีหมื่นปีมันอยู่ไม่ได้มันเกิดขึ้นมาก็แปรปวนไปแล้วแตกสลายตามหน้าที่ของมันให้พิจารณาเรื่องของกายให้ทราบให้เห็นชัดเจนในจิตในใจของตัวว่ากายนี้สักแต่ว่ากา ย, มกาายไม่มีหญิงมีชายไม่มีสัตว์มีบุคคลจิตมาอาศัย ก็หลงไหลายเยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราไปแต่ความจริงแล้วกายนี้มันเป็นเรื่องของกายต่างหากไม่ใช่เรื่องของจิตเมื่อทราบชัดอย่างนั้นเห็นชัดอย่างนั้นผูกไปเห็นกายเป็นอย่างนั้นคือใครมันจะทราบเข้ามาภายในมันจะเห็นภายในแล้วความแจกไข่หนอมันเห็นภายใน มันจะจักชัดเจนแล้วการงมกายมันก็หายจากการงมไปการหลงไปเพราะเรื่องของกายแต่แท้ไม่มีอะไรมันไม่เคยสุกเคยทุกข์เคยเดือดร้อนวุน่นวายไม่เคยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หน้าที่ของกายจริงจังถีมันมีชีวิตชีวาจเจริญ ม, มาเพราะเราบารุงมัน เอาอาหารการขบฉันมาบำรุงให้หนุ่งให้หอมเมื่อเวลาหนาวให้อาบให้สงเมื่อเวลาร้อนเราบำรุงมันไว้มันจึงเจริญเติบโตมาแล้วเมื่อเราหลงมันมันก็ให้ทุกข์แกเราถ้าเราไม่หลงมันเราจะเอาประโยชน์แก่มันก็คือการพิ่เจรนามันแล้วก็พามันทํา ความผักความเพียนบ่ายพระสวดมนล์ทำการบุญการกุขสนทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในปล่อยให้กายเป็นหมันเป็นโมคะในเหมือเวลาเรายังมีลมหายใจเป็นอยู่นี่คือการพิจารณากายในทางสติปัฏฐานในพิจารณากายของตัวให้ถั่วให้ถึงให้เห็นชัดเจนแล้ว กายของคนอื่นทั่วไปในโลกมันก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันสมมุติที่ว่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวหรือเด็กมันเป็นสมมุติต่างหากความเริงแล้วกายเมื่อเกิดขึ้นถ้าหากม่มีอุปสรรคมันก็จเจริญตามหน้าที่ของมันใน่ที่ว่ามันแปรปวนแปรปวนไปหาที่ไหนไปสู่ ความแตกดับของมันไม่ว่าปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมามันเป็นอยู่อย่างนั้นอนาคตที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกันมันไม่ลุ่มไม่หลงมันเข้าจิตเข้าใจเพราะการที่แกนานะอย่างนี้ทำให้เกิดปัญญาสามารถที่จะตัดขาดจากความยึดถือ จากความลุ่มหลงจากความเกาะเกี úng, le o le o. N, n, ่ยวของใจเมื่อเราไม่ลุ่มหลงตัวของเราแล้วคนอื่นสัตว์อื่นเราก็ไม่ลุ่มหลงเพราะเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นมันไปจักอยู่ในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเห็นชัดอย่างนั้นมันจึงละจึงต่อยจึงวางเรื่องของใจได้มีเรียก ปายานุปัสฐานเพื่พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้ละให้ถอนความยึดถือติดข้องต่างๆเรีนชนะนุปัสนานสติปัฏฐานก็หมายของพิจารณาสุขทุกข์สุขทุกข์หรือเฉยๆนั้นทุกท่านมีด้วยกันไม่ว่าฆราวาสหรือนักบวชแต่เราไม่ได้เอาใจใส่ว่าอันนี้เป็นธรรมะเป็นยาที่จะแก้กี่เหล็ เราเลยมองข้ามเยาะเย้ยอยู่เรื่อยไปแต่ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันเป็นเราเป็นของเราไปเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราอย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้ในสังโยชน์ท่านกล่าวไปอย่างนั้นแต่ความจริงมันก็เป็นไปอย่างนั้นพอเรา ไม่เหตุพิจารณามันจึงลุ่มหลงทางเราพิจรารณามันก็พอพิจารณาได้กายอันนี้หรือตัวอันนี้มันไม่ใส่สัต บ, บุคคลอีกเหมือนกันเป็นอาการอันหนึ่งเมื่อกายกับจิตมาอยู่ด้วยกันแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมีขึ้นเรียกว่าเวทนาคือบางทีก่อสุขบางทีก่อทุกข์บางที ก, ทก่อเฉยเฉยเรียกว่าเวทนา เวทนานี้เป็นสิ่งปิดบังปัญญาของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปมากเหมือนกันหลงไหลไฟฝันอยากได้เบื่อหน่ายไม่ชอบพอสิ่งที่ตัวไม่ปราถนาเช่นทุกเกิดมาเล่าเบื่อเล่านายเงินทองเข้าของมากมายขนาดไหนก็ยอมเสียสละ เพื่อจะให้กายของตัวให้เวทนาตัวทุกนั้นมันหมดไปหายไปให้มันสุขมันสบายขายบ้านใายเรือนใายไร้ขา ย, า ย, ขายนามีเงินมีทองมรดกที่ดิดามันดาหามาไว้แั่นหลวงรับดาบไปเป็นสมบัติของเราถือว่าสมบัติเหล่านั้น เป็นสมบัติที่ควรส่งนวัรักษาแต่เท่าว่าเหมเวทนามันกล้าขึ้นมาทุกข์มากขึ้นมาจะต้องนำสิ่งเหล่า น, นั้นออกไปขายเพื่อรักษานำหยกนำยามาบำบัดให้ทุกข์เขาวเวทนามันหายไปนี่สิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจเรา ย, ยอมเสียสละเขาของเงินทองส่วยใหยมา ถึงความสุขความสบายสิ่งที่สุขที่สบายเราเราก็ปรารถนาอยากจะได้ถึงจะยากแก่ลาบากขนาดไห น, นก็อยากจะได้มาเป็นสมบัติของตัวทุกยากลาบากกอุตส่าห์พยายามสแสวงหาวพาอยากได้ความสุขนั้นมาถูกก็ดีทุกทก็ดีเฉยๆก็ดีทั้งสามสิ่งนี้เรียกว่าเวทนา เวทนานี้ก็เป็นอนัตตาอีกเหมือนกันบอกไม่ได้สอนไม่ฟังไม่มีใครที่จะมีอำนาจราสนะหาหักห้ามมันได้มันเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ดับไปทำนองเดียวกันกับรูปแต่เราไม่รู้เราจรึงไปยึดไปถือมันเข้าใจว่าเวทนานั้นเป็นของของเราถ้าเป็นเรื่องสุขก็ชอบจิตติดข้อง ในจริงอนนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปถ้าทุกข์ก็อยากจะขับไล่สช้ส่งให้ตกออกไปจากกายจากใจของตัวมันคิดอย่างนั้นมันปรุงอย่างนั้นมันยึดอย่างนั้นมันถืออย่างนั้นพวกเราท่านจริงหลงเรื่องของเวทนาถือเอาขันส่วนนั้นว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าหากเราปฏิบัติด้านอรธรรมจริงใจ จิตของเราละเอียดจิตของเราเป็นธรรมเราจะทราบว่าเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาไม่ใส่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่สักว่าเวทนาเท่านั้นเวทนานี้มันจ ะ, จะเจริญเติบโตไปได้มันจะให้ทุกขนาดไหนก็ไม่เลยตายตายไปแล้วทุกส่วนนั้นมันจะหายในเหมือเวลา หมดลมหายใจมันจะไม่มีอะไรเหลือหรอกแต่เมื่อเวลาเราเป็นอยู่เราจะสู่จะหลบจะพิจารณาอย่างไรจรึงจะทราบว่าเวทนานี้เป็นขันอันหนึ่งไม่ใส่ตัวของจิตเรื่องเหล่านี้เราต้องต่อสู้เราต้องพิจารณาดูเกิดความเป็นธรรมไม่เข้าตัวไม่เข้าข้างใดอาศัยความจริงที่สูจนของจริง จะเห็นเด่นชัดในจิตในใจเวทนานี้ทางที่จะดับมันได้คือใจสงบถ้าใจสงบแล้วเวทนามันดับสงบถึงที่รวมถึงที่ไม่มีสัญญาเวทนาจะต้องเป็นต้องเห็นในผู้ปฏิบัติถึงมันจะหนักขนาดไหนถ้าใจรวมได้ เวทนามันหายเหมือนปิดทิ้งไม่มีอะไรที่จะมายุ่งเกี่ยวนี่คือเรื่องลงรวมของจิตที่ฝูกฝึกปฏิบัติมีสมาธิสมาบัติเข้าได้ลบได้เป็นการเป็นสมัยแต่เวทนาที่พระพุทธเจ้าให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงนั้นท่านในเห็นว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ ตัวตนคนสัตว์อะไรข้อนี้จะประจักในการคินิทิเจนในการภาวนาของตัวเพื่อจะเห็นโดยการบำเพ็ญภาวนาแต่อันนี้มันเป็นขันธ์อันหนึ่งต่างหากผู้ไปรู้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งต่างหากถึงอันนี้มันจะก่อขวนวุ่นวายสุขสบายก่อตาม ทุกลำบากก่อตามเป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่จิตผู้ไปรู้ผู้ไปเห็นจิตไม่ได้ล้ไหลหมืดบอดไปตามอาการานั้นนั้นสราบดีว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นขันอันหนึ่งต่างหากแต่มันเกิดจากกายจากจิตเหมือน ก, นกันกับเสียงเกิดจากความกระทบ ของคลองของกลองความจริงกลางมันก็ไม่มีเสียงค้องมันก็ไม่มีเสียงแต่ไปกระทบกันเข่าตีกันเข่าเสียงมันเกิดขึ้นถาดขันที่มันเกิดเวทนาอย่างนั้นมันก็ต้องมีเหตุของมันมันจึงเกิดสุขมันจึงเกิดทุกข์คือมันกระทบในสิ่งที่ตัวไม่ต้องการ ตัวไม่ปาถนามันก็เกิดทุกข์ขึ้นมันกระทบกับสิ่งที่ตัวต้องการตัวปาถนามันก็เกิดทุกข์ขึ้นนี่คือความหลงไหลความไม่ถอยใจตามเป็นจริงเราไปยึดไปถือในสิ่งเหล่านั้นมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ปาถนาเกิดขึ้นก็ยากจะให้มันตั้งอยู่ ไม่อยากจะให้มันวิบัติสิบหายไปที่ไหนแต่กอง ม, มีสิทธิ์มีอำ น, นาจที่จะรักษาได้เพราะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาผู้มีปัญญาทราบแท้ๆอย่างนั้นมีการเกิดขึ้นได้จะต้องมีการแปรปวนและสลายไปถ้าเรารู้เราค่อยใจในตัวของเราจริงจังอย่างนั้น มันไม่มีอะไรที่จะปิดบงังอัมพาตจะหลงไหลจะยึดถือจะเข้าใจผิดพระพุทธเจ้ารับรองรรกลนทัญญะกรับรองว่ากลนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีการแตกดับเห็นประจกักษ์ชัดเจนในจิตในใจไม่มีการสงสัย ไม่มีอะไรติดบางนี่ท่านเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นโดยไม่ได้จำมาจากที่อื่นไม่ได้คาดหมายมันใส่ใจในการพิจารณาของตัวในการภาวนาของตัวอย่างนั้นถ้าญาณควรทันย่าเห็นอย่างไรใจของเราที่ไปเห็นอย่างนั้นก็เหมือนกันถึงพระพุทธเจ้าใ้รับรองเพราะท่านปรินิพานไปแล้ว แต่เราเองก็ทราบว่าจิตของเรามันเป็นอย่างไรมันห่างไกลจากความสงสัยจากการยึดถือหรือไม่นี่เป็นเรื่องการบําเพ็ญภาวนาแต่ต้องกําหนดให้รู้ให้เห็นในตัวของตัวผู้ภาวนาถ้ามีสติกําหนดกายก็ดีกําหนดเวทนากาดีจิต ความคิดปรุงต่างๆเยแต่สีก็เรียกนี่ก็เป็นตัวอันหนึ่งเป็นเรื่องอันหนึ่งซึ่งเราจะที่นิธิจะเรนะทำหมายถึงสิ่งทั้งสามหรือสิ่งทั่วไปที่มันปรากฏในจิตในใจจะเป็น โลกก่อทำก่อตามเป็นนมามธรรมก่อตามมันเกิดขึ้นให้มีสติรู้มีปัญญาพิจารณาดูให้จิตเห็นให้จิตเข้าใจในสิ่งเหล่านั้ น, น, นตามเป็นจริงของมันนี่คือผู้ที่กำหนดเพื่อความจะตัดทรู้เพื่อความจะไม่อยู่ในโลกต่อไปถ้ากำหนด ปีิปัะฐานทั้งสี่นี้เอาใจใส่